แล้วการโยนกลับขึ้นมาตามเส้นทางเดิมก็เริ่มขึ้นนักบัดนั้นระพินสั่งให้บุญคำนำหน้าเอากลุ่มของนายจ้างขึ้นไปก่อนโดยมีเกิดปิดท้ายนำขบวนขึ้นไปส่วนคิดถูกระพินรั้งตัวไว้เบื้องหลังโดยมีเสยเป็นผู้ช่วยอีกค น, ห, นหากจะมีการใช้แรงช่วยเจาะขุดเข้าไปในซอกพโพรงหินเพื่อวางระเบิดอันแรงฤทธิ์ของพวก CIA เป็นการปิดทาง ฝ่ายเบื้องหน้าถูกพรันใหญ่ไล่เร่งให้รีบขึ้นไปก่อนแล้วบัดนี้จึงเหลืออยู่เฉพาะเขาคิดและเสซยเพียงสามคนที่ค่อยๆตายทางขึ้นไปอย่างช้าๆนี่ถันจริงเหอะเพื่อนยากนี่เราจะถูกดักโจมตีระหว่างขาขึ้นมั่งไหมเนี่ยไม่ว่าจากไอ้พวกผีดิบที่โผล่ฮือกันออกมาหรือจากการที่มันทำให้เพดานยุบถล่มลงมา คิดถามเขาเสียงอ่อยๆจอมกุเทศยิ้มให้ตบหลังนายคิดแรงๆเออใจดีๆไว้ะคิดถ้ายังไงฉันก็อยู่ใกล้ๆนายอีกทั้งคนถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็เผชิญปัญหาร่วมกันคิดนายไม่ได้พูดใ้จิตใจฉันมันดีขึ้นเลยนี่ว่าพูดใ้ยิ่งปอดแหกซะมากกว่าคราวนี้ระพินหัวเราะ เชื่อเหอะคิดมีอะไรหรอกพวกนายปฏิบัติตามคำสั่งของฉันมาโดยตลอดมันต้องไม่เกิดอะไรขึ้นแน่แน่เราจะขึ้นไปข้างบนได้อย่างปลอดภัยทุกคนสำคัญว่าสั่งให้วางระเบิดจุดไหนก็วางให้ดีแล้วกันอย่าพลาดให้มันเกิดระเบิดขึ้นเองซะก่อนแล้วกันฮึไอข้อนั้นน่ฉันรับรองได้สาคัญว่าบางแห่งนายก็รู้อยู่แล้วอะว่ามันเป็นตาแหน่งอับคลื่นวิทยุ แต่เกิดวางระเบิดเอาไว้และกระแสคลื่นส่งมาไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์เอาแล้วเราจะไปเลือกวางระเบิดในบริเวณที่คลื่นมันแทรกลงมาไม่ได้ทําไมเล่าก็ขึ้นไปวางไว้ต้นต้นปากทางออกก็ได้นี่แล้วก็ต้องถลม่มเทวารัยที่เป็นทางลงในจุดแรกของเราด้วยนี่เรารังท้ายกันอยู่แค่สามคนเท่านั้นนะเกิดอะไรขึ้นพวกที่ขึ้นไปก่อนจะไม่รู้เลยนะ คิดบนฮะฉันเพิ่งมารู้เอาแน่แน่เดี๋ยวนี้เองล่ะวะระพินผู้ยิ้มยิ้มในเงาอันสลัวร่างนั้นคิดแลเหินแต่ฟันเขารู้ะไรนายนั่นขมวดคิ้วถามมาเสียงคุนคุณอ้าวก็รู้ว่าตัวใหญ่เสีเปล่าถ้าทางก็ออกจะเยี่ยมหานไปทุกอย่างแต่แท้ที่จริงอ่ะนายน่ะปลอดแหกกว่าทุกคนในคณะไง คราวนี้จอมพรานบอกมาหน้าตาเฉยคือแนนคิดจุปากจิกจักสะบดดาอะไรพึมพำอยู่ในลำคอแล้วพูดเสียงกระชากกระชากนี่นี่ น, นี่อย่ามาใช้หลักจิตวิทยาเพื่อหลอกล่อฉันทำงานอยู่กันนายรังทายคนอื่นเขาเลยวะกระพินถึงยังไงเรื่องการวางระเบิดมันก็ต้องเป็นหน้าที่ฉันอยู่แล้วเออฉลาดได้ยางงั้นมั่งมันก็ดีอย่าเอาแต่งโง่เซ่อ บ้านักไปไปนายน่ะนำหน้าขึ้นไปก่อนพร้อมเสยเมื่อเดี๋ยวฉันจะชี้จุดให้เองว่าเราควรจะวางไว้ตำแหน่งไหนมั่งกล่าวจบกระพินก็ผลักหลังคิดให้ไตาทางขึ้นไปยังบริเวณที่หินถล่มอันไม่มีลักษณะเป็นบันไดเหลืออยู่นอกจากจะใช้วิธีเกาะโหนตัวขึ้นไปตามแก่งแง่หินดังเช่นที่ผ่านกันลงมาแล้วมืออีกข้างนึง ดันผลักทรงก้นอันหนักอึ้งของพันเอก US a r สอามีซึ่งดูจะคล่องตัวน้อยกว่าคนอื่นๆเพราะร่างกายอันใหญ่โตวกว่าเพื่อนขึ้นไปและตนเองก็เหนียวแง่หินไต่เยื้องติดตามขึ้นไปโดยไม่ทำมุมตรงหลังของคิดเนื่องจากนายนั่นนะซุ่มซ่ามมักจะเหยียบก้อนหินถล่มร่วงพรูใส่หัวเขาผู้อยู่ด้านล่างเบื้องหลังอยู่บ่อยๆส่วนเซยได้รับคำสั่งให้นำคิดขึ้นไป คณะพักทั้งหมดโดยการนำของบุญคำและเกิดไตาทางรับเหลี่ยมมุงบังของเส้นทางเดินขึ้นไปแล้วตามคำสั่งของรพินโดยเคร่งครัดด้านหลังอันมีเหลือเขากระคิดและเสรยรรังท้ายอยู่แค่สามคนจึงเปล่าเปลี่ยวมืดมิดจะมีก็แต่แสงใต้จากมือของเซยที่สว่างอยู่เป็นจุดเล็กนิดเดียวและเห็นอะไรได้แค่จำกัดเท่านั้น จะยังไงก็ตามเสียงการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่ล่วงหน้าขึ้นไปก่อนก็ยังแวววลงมาให้ได้ยินแสดงว่ายังไม่ได้ห่างไกลออกไปมากนักขณะนั้นทั้งสอันเป็นฝ่ายรังท้ายสุดได้ผ่านพ้นห้องใหญ่อันเป็นห้องเก็บมหาสมบัติของกษัตริย์ขึ้นมาแล้วโดยค่อยๆปีนกันขึ้นไปตามโพรงแคบๆเกะกะไปด้วยความปรกหักพังของหินขาขึ้น ดูจะเชื่องช้าและเป็นอุปสรรคกว่าขาลงบ้างเล็กน้อยเพราะจะต้องใช้กำลังแขนขาเกะาะไตเนียวโหนกายขึ้นไปและในที่สุดพักใหญ่ๆทั้งสามก็ผ่านเส้นทางวิกฤตนั้นขึ้นมาได้โดยไตยขึ้นถึงเชิงบันไดของเส้นทางขึ้นลงณที่นี้วิทยุติดต่อประจำตัวที่บอดสนิทไปนานนับแต่เดินลึกลงไปถึงห้องเก็บสมบัติกตระสั ก็สามารถจะติดต่อถึงกันได้อีกครั้งเสียงของฝ่ายสแตลลีซึ่งล่วงหน้าขึ้นไปพูดกับฝ่ายของจันซึ่งรอคอยอยู่ด้านบนแซ่ไปหมดดังลั่นออกมาจากลำโพงวิทยุประจำตัวของระพินและคิดที่นิบเอวอยู่และในขณะเดียวกันสแตนลี Stanley ก็ส่งเสียงย้ำเรียกเขาและคิดอันอยู่รังท้ายสุดอยู่ตลอดเวลาโอเคได้ยินแล้วครับ นี่วิทยุของเราทุกฝ่ายเริ่มจะติดต่อกันได้ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเนี่ยเขาพูดตอบขึ้นไปเราเริ่มติดต่อกับจั์และพวกข้างบนได้ตั้งแต่ผ่านพ้นทางที่มันพังเป็นโครงลงขึ้นมาได้ละเสียงด็อร์สแตนลีย์ลั่นออกมาจากวิทยุอย่างตื่นเต้นยินดีนี่ตอนนี้พวกคุณสามคนอยู่ที่ไหนอะเรียบร้อยดีหรือเปล่าระพินระพินกัคิดผู้นั่งพักกันอยู่ที่ขั้นบันได มองหน้ากันเขาเป็นฝ่ายใช้ข้อศอกสกิดแทนความหมายให้คิดเป็นคนต่อพักพวกขึ้นไปบ้างอืมบอบขณะนี้ฉันระพินแล้วก็เซยพ้นเส้นทางถล่มขึ้นมาได้แล้วละ่ะเข้าใจว่าพอเราพ้นเส้นบริเวณนี้ลึกลงไปสู่ข้างล่างนั่นแหละที่เป็นแหล่งอับคลื่นและตอนนี้พวกแกอยู่ที่ไหนอะอยู่บนเส้นทางแยกตำแหน่งที่สองนับตั้งแต่เราลงมาจากด้านบน เป็นชานขั้นพักบันไดไงืมเสียงวิทยุชัดเจนดีเหมือนเดิมแล้วถามรพินสิว่าจใจพวกเราทางด้านนี้ปฏิบัติยังไงต่อเพราะตอนนี้กำลังรออยู่ตรงนี้นะจอมพลานยกวิทยุประจำตัวขึ้นเขาทดสอบเรียกไปทางจันเพื่อฟังระดับเสียงการติดต่อก่อนก็ได้รับเสียงตอบรับมาอย่างชัดเจนแลวก็เป็นเสียงโวยวายของจัน ที่สอบถามมาเกี่ยวกับการติดต่อที่ขาดหายไปนานพอสมควรแต่พรานใหญ่ก็ตัดบทซะก่อนสั่งยังไม่ให้สอบถามหรือพูดอะไรลงมาทางสิ่ง น, นอกจากจะให้คอยรับฟังแต่เพียงอย่างเดียวบัดนี้ระพินเริ่มปลอดโปร่งใจแล้วเพราะสามารถจะติดต่อกันได้ทั้งสามจุดเหมือนเดิมคือทั้งฝ่ายเขาคีดและเซยผู้อยู่ล้าหลังสุดฝ่ายสตลีเบร์คริสติน่า เชิดวุฒบุญคําและเกิดซึ่งล่วงหน้าขึ้นไปรีรีรอๆอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้าปากทางลงและก็ฝ่ายพักพวกส่วนใหญ่อันรอคอยอยู่ข้างบนด้วยความกระวนกระวายใจเมื่ออยู่ในสภาพเช่นนี้ก็แปลว่าผลงานลงมาสำรวจมหาสุสานภายใต้วิหารน่าจะสำเร็จที่ผลเสร็จสิ้นลงด้วยความเรียบร้อยทุกประการโดยไม่เกิดอุปสรรคอันตรายใดๆขึ้นเลย อันแทบไม่น่าเชื่อได้ทางทางที่ดูแล้วว่ามันน่าจะเสี่ยงต่อมหันตภัยที่สุดด็อกเตอร์ครับได้ยินแล้วกำลังรอฟังคำสั่งคุณอยู่อ่ะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าล่ะครับในระหว่างไตาทางล่วงหน้าขึ้นมาจนถึงที่หยุดกันอยู่ตอนนี้เรียบร้อยดีเรพินไม่เกิดอะไรขึ้นหรอก บุญคําก็เกิดทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงนําทางเราทุกคนมาทางด้านนี้ได้อย่างเยี่ยมที่สุดครับดีมากครับผมก็หวังไว้อย่างนั้นน่ะในเมื่อทุกคนปฏิบัติตามคําสั่งผมอย่างเคร่งครัดก็ไม่น่าจะมีอุปสรรคอะไรทั้งสิน้นต่อไปนี้ก็โปรดฟังผมขอให้ทุกคนไต่ทางต่อไปจนถึงตําแหน่งที่เราลงมาครั้งแรกและไม่ต้องรอผมก็คิดรือเสย เมื่อถึงก็ให้ไต่ขึ้นไปข้างบนได้เลยนะครับขึ้นไปรอพวกผมอยู่บนนั้นทางด้านผมจะเริ่มหาจุดวางระเบิดกันเดี๋ยวนี้แหละเสร็จเมื่อไหร่ก็จะตามขึ้นไปทันทีถ้าสงสัยยังไงก็ติดต่อเรียกมาได้นะครับตกลงตกลงระพินเดี๋ยวจะปฏิบัติตามสั่งแต่ขอให้เร่งเวลาหน่อยนะอย่าช้านักเสียงหัวหน้าคณะ เป็นอเมริกันอาวโุโสบอกมาด้วยน้ำเสียงกังวานแจ่มใสระพินเรียกไปยังบุญคำเมื่อมีเสียงตาพรันเท่าสมุนขวาคู่ใจของเขาตอบลงมาก็สั่งให้ควบคุมขบวนต่อไปอย่างระมัดระวังนีบุญคำอย่าประมาทเพราะเห็นว่าใกล้ปากทางขึ้นแล้วใช่นะเขาสั่งการคอยดูแลให้ดีที่สุดตอนที่ทุกคนไต่เชื่อขึ้นไปข้างบน สำหรับแมนเบร์เขายังบาดเจ็บแล้วก็เหนื่อยมากย้ า, ายไตเชือกขึ้นไปด้วยตัวเองนะให้ใช้เชือกผูกเอวแล้วก็ให้พวกเราสาวชักรอกขึ้นไปกลับนายไว้ใจบุญคําเหอะทั้งนี้สบายมากแล้วเห็นปากทางออกอยู่แค่นี้เองนายสําหรับนายนะระวังตัวไว้จงหนักก็แล้วกันหายอย่างอื่นนไม่มีแล้วก็มีอย่างเดียวแหะ ้านายห้างคีเกิดวางระเบิดพลาดเกิดตูงขึ้นมาซะก่อนในใต้โพรงนั่นบุญคําก็จะไม่ได้เห็นนายอีกแล้วปากเสียระพินตะวาดขึ้นไปเบาๆเอาเป็นว่าทําหน้าที่ทางด้านตัวเองให้ดีที่สุดตามสั่งแล้วกันตะคำแล้วก็ลงมือเดี๋ยวนี้ด้วยให้ทุกคนขึ้นไปข้างบนให้มันเรียบร้อยเสร็จแล้วก็รายงานออมาอีกครั้งนะแล้ว ก, ก็สั่งต่อไปอย่างจันท์ สมุนมือขวาของเขาเพื่อคอยประสานงานกบุญคำเพื่อลําเลียงพวกนายจ้างที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วขึ้นจากช่องโพรงของมหาสุสานและกําชับย้ําจันทร์อันคอยอยู่ด้านบนสุดไม่ให้ไปยุ่งกับปุ่มใดของวิทยุรับส่งมือถืออันจะหมายถึงการเปลี่ยนกระแสะความถี่ของคลื่นผิดไปจากเท่าที่ใช้อยู่ในขณะ น, นี้เพราะถ้าทะลึ่งไปหมุนความถี่ของคลื่นผิดจากสภาพเดิมออกไป พอกดคีย์มันก็อาจจะกลายเป็นความถี่พิเศษที่จะส่งกระแสคลื่นมาบังคับระเบิดให้เกิดการระเบิดขึ้นซะ ก, ก่อนเขาไม่แน่ใจนักว่าเฉพาะวิทยุที่รับแจกจากพวกนายจ้างเพื่อให้ฝ่ายเขาใช้นั้นจะมีความถี่พิเศษสําหรับบังคับการระเบิดได้หรือไม่แต่ที่ต้องห้ามไว้ก่อนก็เพื่อป้องกันด้วยความรอบคอบเสียงพูดสั่งการของระพินที่มีไปยังจันทร์ในประโยคหลังคริสติน่า ซึ่งฟังและพูดภาษาไทยได้คล่องแคล่วที่สุดจับกระแสะความได้ก็ส่งเสียงเรียบๆ บ, บอกกันมาว่าดีมากระพินรอบคอบดีที่สุดแต่คุณอย่ากังวลไปเลยวิทยุที่เราแจกไว้พวกคุณใช้นะ่ะเป็นวิทยุรับส่งติดต่อธรรมดาเท่านั้นแหละไม่มีคลื่นพิเศษที่จะไปบังคับชำนวนระเบิดได้หรอกไม่ต้องเป็นห่วงคุณ <c oughs> ระพินหัวเราะคือ ผมก็หวังงั้นแหละคริสพวกคุณคงไม่โง่นักหรอกนะนเครื่องมือเครื่องใช้ของฝ่ายคุณน่ะมันจะต้องพิเศษแล้วก็เหนือกว่าที่จ่ายพวกผมทุกชนิดเพื่อหวังความได้เปรียบใช่แต่ถึงอย่างนั้นเราก็ต้องยังเสียเปรียบคุณอยู่ตลอดกาลน่ะแหละรพินในอาณาจักรพงไพรที่จ้างวานให้คุณเป็นมัคุเทศนำทางมาในครั้งนี้ไม่เคยได้เปรียบรอเหนือกว่าเลยสักครั้งเดียวนี่ ว่าแต่คุณมีเจตนาที่จะระเบิดเพื่อกลบมาหาสุสานแห่งนี้แน่แล้วเหรอไม่เสียดายหีบศพสีชมพูนั่นหรือไงประโยคสุดท้ายเป็นการเน็บเชิงล้อเลียนมาด้วยวาจาการุณาหุบ ป, ปากแล้วก็ขึ้นไปพ้นพ้นสตีคุณเมื่อขึ้นไปถึงข้างบนเรียบร้อยก็อย่าลืมขอบคุณพระเจ้าด้วยที่ชีวิตของคุณรอดพ้นขึ้นไปได้ ระพินตอบกลับไปด้วยเสียงเกรียมๆแล้วก็ไม่ยอมโต้อตอบวิทยุอะไรกับใครอีกหันมาพยักหน้ากับขีดเฮ้ย hey, ลงมืออย่าช้าเราจะวางที่จุดนี้ก่อนเป็นจุดแรกเอาตำแหน่งที่เพดานหินย้อยต่ำลงมามากที่สุดนั่นแหละมีซออโพรงอยู่แยะพอที่จะยัด ร, ระเบิดชนิดฉบหายบรรยจักของพวกนายเข้าไปได้จัดการได้แล้ว ถ้าในเรื่องที่ถนักคิดรวดเร็วทันใจและมีความคล่องตัวสูงสุดโดยการช่วยเหลือจากเขาและเสิย์ชั่วไม่นานตำแหน่งที่ระพินชี้บอกไว้นั้นก็ถูกอัดระเบิดพิเศษของพวก CIA เข้าไปเสร็จสับต่อเชื้อปทุเรียบร้อยใช้เวลาเพียงชั่วไม่กี่อึดใจเท่านั้นนั่นเป็นตำแหน่งที่หนึ่งจุดแรกที่จะบังคับไป ห, หินน้าหนักหลา ย, ร, ยร้อยตัน ถล่มตัวลงมากลบปากทางขึ้นลงโดยจะไม่เปิดโอกาสให้สิ่งใดสามารถใช้เป็นทางผ่านขึ้นหรือลงได้อีกแล้วปราบนิรันดร์การส่วนตำแหน่งที่สองทั้งสามคนไต่บันไดลงมาจนถึงขั้นพักอีกขั้นหนึ่งอันเป็นจุดที่สตาลีและพวกหยุดรอคอยอยู่เมื่อครูใหญ่นี้คิดให้เขากระเสยสองใต้ตรวจหาจุดที่เหมาะสมอีกแล้วก็วางไว้เพื่อนิยวอีกจุดหนึ่ง พาวะ่ะทั้งสองจุดนี่ถ้ามันคลืนขึ้นมาเมื่อไรแล้วก็ฉันว่าไอ้ซากมหาวิหารข้างบนนี่ก็คงจะทุดถล่มลงด้วยแน่ๆนายคิดคำรามออกมาอย่างย่มใจนั่นคือสิ่งที่เราต้องการคิดปิดทางมันเสยเลยอย่าให้ไอ้พวกมั ม, มีที่ซุกซ่อนอยู่ในเนี้แหย่ยกขยงขึ้นมาเล่นงานเราได้อีกระพินบอกนี่ฉันแปลกใจอยู่อย่าง มันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยตอนที่เราลงไปจนถึง i ิง s ชม a บอร์ผ่านเส้นทางหน้าระแวงสารพัดทำไมวะทำไมพวกมันถึงไม่โผล่มาโจมตีเราเลยคู่อริเก่าของเขาซึ่งบัดนี้กลายมาเป็นเพื่อนตายไปแลกระซิบขนาดที่ยิ้มแยกเขี้ยวเข่ึฉันก็สงสัยอยู่เหมือนกันละคิดมันน่าจะดักเล่นงานเราในช่องทางนี้ได้อย่างสบายนะ แล้วเราก็เสียเปรียบมันมากด้วยเนื่องจากเนื้อที่จํากัดเป็นช่องเป็นโพรงลี้ลับไปหมดแต่ฉันก็มั่นใจนะว่ามันทําอะไรเราไม่ได้หรอกี่ยจะไม่กล้าปลูกมาให้เราเห็นซึ่งซึ่งหน้าด้วยทําไมนายถึงมั่นใจอย่างนั้นนะระพินก็อบอกไม่ถูกเหมือนกันแหละคิดรู้สึกคล้ายๆกับว่าเจ้าของแท้จริงของสุสานแห่งนี้คือกษัตริย์มาฮิติเดชะ ยินดีเปิดทางให้กับพวกเราแล้วและต้องการให้เราปลบปิดสุสานของพระองค์ซะรวมทั้งทำลายซากมหาวิหารด้านบนให้หมดสิ้นลงสีทีเดียวพระองค์รอเวลานี้มันนานแล้วคิดมองหน้าเขากับริบตาปริบปริบเหมือนจะค้นหาอะไรบางอย่างระพินมีอะไรอยู่หลายๆอย่างที่ซ่อนอยู่ในใจของนายนะแต่ฉันว่านายไม่ยอมบอกพวกเราทั้งหมด จอมพลตบไหลในจ้างอเมริกันหนักหน่วงนี่คิดไอการบอกในสิ่งที่ไม่ควรบอกหรือการพยายามทำความเข้าใจกับคนที่ไม่อาจเข้าใจอะไรได้น่ะมันเป็นสิ่งไร้ประโยชน์นะอย่าเอาใจใส่อะไรมากเลยนักเนอะคิดเราสัญญาแล้วก็วางแผนกันไว้ก่อนแล้วไงว่าถ้าพบสุสานของนิทรานครที่ไหนเราก็จะค้นหาทางที่มันจะเข้าออกหรือลงมาได้ แล้วก็จะระเบิดบิดทางมาใช้หมดเพื่อกันแม่มันตรใช้คาถาอาคมของมันไปปลุกผีดีบนับอายุไม่ได้ให้ยกมาเป็นกองทัพเล่นงานเราเหมือนอย่างที่มันเคยทำมาแล้วส่วนซากอื่นๆที่ไม่อยู่ในสุสานโดยมันเคลื่อนย้ายไปซุกซ่อนแอบอยู่ตามป่ารกซอกพงที่ไหนเราก็จะพยายามทาลายมันไปเรื่อยๆสุดแต่ว่าจะพบสาคัญมาตัดกาลังส่วนใหญ่ ที่มันจะไปขนออกมาจากป่าช้าให้ได้เท่านั้นเนี่เพราะปริมาณของมันจะนับไม่ถ้วนถ้าขืนปล่อยไวไ้การปิดกลบสุสานแห่งนี้ก็เป็นงานประเดิมเริ่มแรกของเราต่อไปเราก็จะดูท่าทีของมันไรว่ามันจะมาไหมไหนอีกไงขณะนั้นเองก็มีเสียงเรียกทางวิทยุขึ้นเมื่อคีตตอบรับขึ้นไปเสียงสแตนลีก็บอกลงมาว่าขณะนี้ เราทุกคนขึ้นมาอยู่บนพื้นข้างบนหมดเรียบร้อยทุกคนแลวนะรวมอยู่กับพวกจนันแล้วก็ลูกหาบทั้งหมดทางด้านนายเนะี่ยทำงานกันไปถึงไหนแล้วลนะ่ะหัวหน้าค้นหาระเบิดนิวเคลียร์เจตนาจะพูดกระคิดโดยตรงเสร็จแล้วกำลังจะขึ้นไปกี่กำลังจะขึ้นไปเดี๋ยวนี้แหละวางว่ากี่จุดละ่ะครั้งแรกก็ตั้งใจว่าจะวางไว้สามจุดน่ะจะตรวจ ด, ดูแลสองจุดก็คงพอ ถ่างั้นก็ขอออกคำสั่งมั่งนะในฐานะหัวห น, านา้าคณะขอให้ขึ้นมาได้แล้วทั้งสามคนอะระพินได้ยินที่ผมสั่งไหมเนี่ยก่อนที่เขาจะตอบก็มีเสียงเบาๆของคริสตินาแทรกมาว่า <c oughs> หรือว่ายังอะไรเอาวอรอะไรอยู่อีกสำหรับนายพรานก็เชิญอยู่ในนั้นเป็นคนเดียวจะนานสักเท่าไหร่ก็ได้ตามสบายแต่ไงไงก็ให้คิดแลวเสยขึ้นมาก่อนแล้วกัน คริสติน่าเสียงเขาเรียกนามหล่อนชัดช้าชัดเจน yes my beloved เสียงอ้อยซ้อยวังเวงอย่างเจตนาจะยั่วยาของหล่อนดังเยือกเย็นแช่มช้าออกมาจากลำโพงของวิทยุมือถือนี่คุณถ้าผมไม่สำนึกต่อหน้าที่การงานที่จะต้องรับใช้พวกคุณต่อไปซะอย่างเดียว ผมก็ปรารถนาที่จะถูกกลบฝังอยู่ในมหาสุสานแห่งนี้แหละไม่ต้องการที่จะกลับขึ้นไปพบหน้าพวกคุณอีกแล้วฉะนั้นสูรเจ้าก็จงกลับไปยังหีบศพของนางอันเป็นที่รักนั่นเถิดนิทราให้สนิทอยู่ณสถานที่นั้นโดยไม่จำเป็นจะต้องกลับคืนมาชดใช้เวรกรรมในชาตินี้อีกแล้วนี่ คริสติน่ากล่าวมาด้วยสำเนียงเหมือนการเจราจาในบทละครโบราณที่แสดงบนเวทีรพินป้ายแขนเสื้อขยี้ปลายจมูกอย่างหงุดหงิดขณะนั้นเสียงตะวาดเบาๆของสแตนลีก็ดังมาว่าเหลวไหลไรสาระพวกนี ine, <t> ้นี่รพินผมบอกให้ขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไง <t> ได้ยินไหมเขาไม่ตอบแต่คิดเป็นคนตอบแทนขึ op, ้นมาว่า โอเคเดี๋ยวนี้ว่าแล้วพันเอกแห่งย s เอสอามีก็ผลักหลังเสยที่ยังยืนนิ่งอยู่ให้ออกเดินขึ้นบันไดหินไปทันทีตัวเองก็คว้าไหล่ระพินหิวให้ออกเดินตามมาด้วยพูดบนเสียงหัวเราะว่าคริสก็มีอะไรที่มันลึกๆ ล, ลับๆคล้ายๆนายนั่นแหละระพินอย่าไปถือสาอะไรเลยนายรู้ไม่ใช่เหรอผู้หญิงอ่ะถ้าตอแยอยู่บ่อย แย่นน่นกวนนี่ก็แปลว่าเขาเอาใจใส่กับเราเป็นพิเศษอะรู้มาตั้งนานแล้วว่ะแต่เสียใจที่สนองตอบไม่ได้จอมพรานบอกมาอย่างซึมซึมทำไมอะ่ะอย่าถามไม่มีคำตอบนี่ระพินด้วยความจริงใจของเพื่อนนายไม่ต้องเกรงใจชันหรือบ๊อบนะตามสบายเลย แต่ก็ใหระวังเจ้าวุฒ ม, มั้งไอ้นั่นมันดูจะคลั่งใครคริสติน่ามากเช้าคิดพูดยิ้มยิ้มเดินกอดไหลเขาขึ้นบันไดามาด้วยกันอย่างรักสนิทเออขอบใจมากคิดแต่ฉันว่าหุบ ป, ปากของนายสักะดีนะและทั้งสามคนก็ไต่ทางกลับขึ้นมาถึงยังตำแหน่งลานแคบๆที่เคยหย่อนตัวกันลงมาในครั้งแรก ซึ่งบัดนี้แลเห็นเงาของพรรคพวกยืนรอคอยอยู่ยังช่องรอยแยกด้านบนมีเชือกย่อนลงมาทิ้งค้างอยู่เช่นนั้นเพื่อสำหรับให้ไต่ขึ้นเสียงคีตะโกนร้องบอกขึ้นไปด้วยปากเปล่ายัางปากช่องที่เห็นพรรคพวกยืนออรอคอยกันอยู่ตรงนั้นอยู่ก่อนแล้วเหนือสีสันพวกนั้นส่งเสียงจอแจแซดไปหมดเร่งร้าให้ไต่เชื่อขึ้นมา ในจำนวนนั้นดูเหมือนจะเป็นเสียงเชิดบุตรที่ดังกว่าเพื่อนเร็วเข้าโว้ยคิดเสือชักช้าอยู่ได้รพินส ก, กิจไหลพันเอกแห่ง U.S.Army เป็นความหมายให้ไตเชื่อขึ้นไปเป็นคนแรกนายคิดไม่รอช้าคว้าสายเชือกได้ก็ออกแรงข้อเนียวโหนตัวขึ้นไปทันทีขาขึ้นมันต้องออกแรงกว่าขาโรยตัวลงมาก พรานใหญ่จึงร้องสั่งให้พวกจัน์เกิดและบุญคำที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วทำหน้าที่ช่วยสาวขึ้นไปด้วยและเพียงอึดใจเดียวร่างใหญ่โตของคีตก็ขึ้นไปสู่เบื้องบนได้พร้อมทั้งทิ้งฝุ่นตรงตำแหน่งปากทางขึ้นบางส่วนร่วงพรูลงมาคนที่จะตามหลังขึ้นไปเป็นบุคคลที่สองคือเซยซึ่งเจ้าเด็กหนุ่มลูกน้องก้นกุติของเขาก็หันมามองหน้าเจ้านาย ไม่ต้องลังเลอะไรทั้งนั้นแหละเสยฉันสั่งให้ขึ้นก็ขึ้นแล้วกันเขาพูดเสียงหนักหนักเสียงสเ่ยก็อ่อยมาว่านายก็เป็นอย่างนี้ทุกทีถ้าจะเข้าหาภัยทีไรอ่ะนายต้องนำหน้าแต่ที่จะผลักจากภัยนายกลับเป็นฝ่ายตามหลังรังท้ายอย่างนี้ทุกทีเลยฉันรู้ว่าทุกคนเป็นห่วงฉัน แต่พวกแกก็รู้ดีอยู่แล้วนี่ว่ามันเป็นหน้าที่ของฉันทาเป็นคนไม่ประสิีราษาไปได้เสียแรงทํางานร่วมกันมาตั้งนานรู้เช่นเห็นชาติรู้หน้าที่ของกันและกันดีอยู่แล้วเฉยโหนตัวขึ้นไปอย่างช้าๆแต่คล่องแคล่วมั่นคงประพินแหนมองดูคนของเขาจนกระทั่งจอมพรานเด็กหนุ่มสามารถที่จะปีนไต่ขึ้นไปพ้นช่องทางขึ้น โดยมีพักพวกส่งมือมาหิ้วฉุดคราวนี้ก็ถึงตานายแล้วละ่ะแมมคริสใส่ฝากถามว่าจะคืนไหมตาเท่าบุญคำชะโงกหน้าร้องถามอะพร้อมก็เอาไฟฉายส่องลงมากระทบหน้าเขาอย่างจังระพินยกมือป้องหน้าสะบดดาขึ้นไปเบาเฮ้ยบุญคำดับไฟ โถเชือกสองจี่ลงมาได้ถ้าฉันไม่ขึ้นไปคนที่ลำบากที่สุดก็คือบุญคำเพราะจะต้องทำหน้าที่รับผิดชอบแทนฉันทั้งหมดเสียงบุญคำหัวเราะฮาฮาฮาลงมาแล้วกระตุกสายเชือกแว่งไปมาระพินเอามือลูบขากางเกงเช็ดเหงื่อผูกมัดปลายเชือกติดกระไรเฟินประจามือของเขารองสั่งให้ตาเท่าดึงปืนกระบอกหนักที่เกะกะล่วงหน้าขึ้นไปก่อน จากนั้นเขาก็โหนตัวตามขึ้นไปเป็นคนสุดท้ายพอเกาะต็ดกระปากช่องหินอันเป็นรอยแตกใครต่อใครอีกหลายมือก็ช่วยกันหิ้วเขาลอยลิ้วพ้นช่องทางขึ้นมาจากการฝึกฝนให้มีการประสานช่วยเหลือร่วมมือกันโดยประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นผู้สอนชนิดไม่ต้องมาเตือนอะไรกันอยู่อีกทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสและอยู่ในอาการโล่งอก บัดนี้ยืนชุมนุมรายล้อมอยู่รอบตัวเขาสไตลีส่งมือมาให้จับบีบแน่นและเขย่าแรงๆงานในมิชชั่นนี้ของเราผ่านพ้นไปได้ด้วยดีที่สุดผมจับเวลาดูแล้วเราใช้เวลานับตั้งแต่เริ่มลงแล้วก็ขึ้นมาครบคนกินเวลาทั้งหมดสองชั่วโมง4ี่สิเจ็ดนาทีครับครับเป็นผลสำเร็จที่งดงามมากแล้วครับ จัดว่าเป็นครั้งแรกทีเดียวในงานของเราโดยไม่เกิดอันตรายใดๆขึ้นเลยแม้จะมีอาการหน้าหวาดเสียวอยู่หลายครั้งแต่มันก็ยังไม่สิ้นสุดเด็ดขาดลงไปสัทีเดียวจนกว่าเราจะระเบิดปิดทางด้านนี้ให้เรียบร้อยสกัก่อนและรพินก็หันไปตบไหล่จันสมุนมือขวาที่ตลอดเวลาทำหน้าที่เฝ้าอยู่ปากทางลงแล้วคอยส่งข่าวประสานงานอยู่ตลอดเวลา จันทำงานด้านนี้เรียบร้อยดีมากนะโถนายจันนไม่ได้ทําอะไรสักนิดได้แต่คอยเฝ้าฟังข่าวเท่านั้นแหละตอนที่วิทยุติดต่อไม่ได้เรียกไม่ได้ยินน่ะอุย้ยใจหายหมดเลยกําลังคิดจะลงไปตามแต่นึกขึ้นมาได้ว่านายสั่งไว้ว่ารอคอยจนผ่านสามชั่วโมงมาสัก่อนเพราะได้ยินเสียงวิทยุจากนายห้างบ๊อบและทางด้านนายติดต่อขึ้นมาอีกครั้งก็เหมือนกับยกภูเขาจากอกเลยนาย จอมพรานมองกวาดเหมือนจะนับจำนวนคนโดยเฉพาะกลุ่มที่มุดลงไปใต้สุสานกับเขาโดยเรียกนามไปตามรายบุคคลอีกครั้งจนครบเสียงคริสติน่าบอกมาว่าไม่มีใครไม่มีใครขาดไปหรอกหน้านายพรานถ้าคุณไม่ลืมนับตัวคุณไปสักคนหนะึ่งเหมือนอย่างี่ตอนนั้นระพินหัวเราะเบาๆไม่ถือสาอะไรกับการล้อเลียนนั่นแล้วออกคาสั่งต่อไป เราทั้งหมดต้องเคลื่อนย้ายจากเทวไลนี่เดี๋ยวนี้เลยละครับกลับลงไปหาที่หลบให้ปลอดภัยที่สุดในป่าเถาวัลยข้างล่างนัน่น mm. เคลื่อนย้ายของลงไปให้หมดเพราะผมก็คิดจะระเบิดสุสานแห่งนี้เพื่อกลบปิดทางละผมไม่แน่ใจในแรงระเบิดของคิดที่วางไว้แต่ก็คิดว่าบนวิหารเทวไลนี่คงจะถล่มลงมาด้วยและรัศมีสะเทือนก็อาจจะมีแนวกว้างไกลายออกไปพอสมควร ซึ่งเราจะต้องหาที่ปลอดภัยไว้ก่อนทุกคนเตรียมพร้อมกันทันทีเพราะเพิ่งจะมานึกถึงข้อนี้ได้รพินสั่งการไปทางคนของเขาซึ่งหลังจากนั้นครู่เดียวทั้งหมดก็เคลื่อนขบวนและสัมภาระทั้งหมดลงบันไดหินหน้าภูเขารูปสิงโตอันเป็นทางขึ้นสถานเทวาลรีบรุดลงไปในป่าเถาวันโดยเร็วครั้งแรก บุญคำจะสั่งให้ลูกน้องพูกแบกหามทั้งหมดปลดของลงไว้ในตำแหน่งเดิมกับที่ได้มาพักกันในครั้งแรกแต่เมื่อระพินหันมาซุบซิบหารือกรคิดเขาก็โบกมือให้ทั้งหมดบุกลึกเข้าไปในป่าเถาวันขนาดใหญ่นั้นโดยห่างไกลออกไปอีกประมาณ30เมตรเลือกได้ชัยภูมิเหมาะมีเนินปลวกขนาดใหญ่รูปหลังเต่าบางทิศ ท, ทางขั้นอยู่พอจะอาศัยเป็นแคมป์พักนอนได้ หากจำเป็นสำหรับคืนนี้นอกจากเบนเพียงคนเดียวซึ่งอิดโรยหมดกำลังลงอย่างเห็นได้ชัดและลงพักกึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่กับกองสัมภาระท่ามกลางกลุ่มลูกหาบและพรานพื้นเมืองของเขานอกนั้นพากันไปยิงขึ้นไปสังเกตดูอยู่บนยอดเนินเตีย้ยๆระยะมันไม่ถึงกระห่างออกไปมากนะักสามารถมองผ่านกิ่งเถาวันที่โปรงตาออกไป ก็ยังเห็นภาพซากมหาวิหารหรือเทวาลนั้นได้ถนัดตาพอสมควรท่ามกลางแสงสว่างยามบ่ายจัดเอาอยัางราพินนายคิดร้องถามราพินและทุกคนฝ่ายตนขึ้นเบาๆขณะที่ชูวิทยุในมือขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวคิดราพินอเมริกันเอาวุโส ซ, ซึ่งใช้กล้องสองตา ประจำตัวส่องดูอยู่ทวงขึ้นเบาๆเอบางทีเราอาจจะลืมไปช่อย่างหนึ่งหรือเปล่าทางขวามือนั่นมีลักษณะของซากเทวะลัยซึ่งเป็นรูปภูเขาหินสิงโตหมอกอยู่เคียงคู่กันอีกยอดหนึ่งเรายังไม่ได้ขึ้นไปสำรวจทางด้านขวานั่นแล้วก็ยังไม่ได้วางไว้เลยทำไมเราไม่ทำจะพร้อมๆกันล่ะเนี่ยจริงด้วย เราลืมสิ่งที่มันน่าสงสัยมีลักษณะคล้ายๆกันทางด้านขวามือนั่นชะอย่างสนิทเจยวคริสติน่าเสริมมาโดยเร็วพร้อมกับชี้มือผมว่าเอาไว้ให้เราจัดการกับทางด้านนี้ด้านที่เราตัดสินใจเด็ดขาดนี่ซะก่อนเถอะครับไอ้ส่วนซีขวามือนะ่ค่อยไปตรวจ ด, ดูทีหลังหลังจากทางด้านนี้ระเบิดแล้วก็ได้เราอาจไม่จําเป็นจะต้องค้นหาทางลงให้มันเสียเวลา เพียงแค่วางระเบิดปิดทางเฉพาะด้านบนน่ะหรือบางทีอำนาจการระเบิดใต้ดินจากที่คิดวางเอาไว้ทางฝั่งซ้ายนี่มันก็อาจจะทำให้เทวัลคู่กันนั้นถูกถล่มลงมาพร้อมกันก็ได้พรานใหญ่บอกมาแล้วก็ไม่มีใครทักทวงขึ้นอีกอถ้งงั้นคิดก็จัดการได้เลยสีหัวหน้าคณะค้นหา ร, ระเบิดนิวเคลียร์พยักหน้าออกคาสั่งคิดชูมือที่ถือวิทยุขึ้น หมุนปุ่มเปลี่ยนความทีของคลื่นไปยังความที่พิเศษอันจะส่งกระแสคลื่นไปบังคับให้เกิดอาการสปากกับชนวนระเบิดที่วางไว้บุตรนักถอยหลังโว้ยจากสิบลงมาถ้าวิญญาณของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่องนั้นยังวงเวียนอยู่เราก็จะทำพิธีส่งวิญญาณขึ้นสู่อาวากาศแล้วคิดลองบอกมาอย่างขนอง เชิดบุตรร้องตะโกนสั่งเตือนไปให้พวกพลานพื้นเมืองและลูกหาบทั้งหมดเตรียมระวังตัวรับรู้โดยแม่ใครลงนอนเอาอกแนบกับพื้นแต่ให้นั่งรวมกลุ่มกันอยู่ในสภาพปกติธรรมดาแล้วเริ่มนับถอยหลังดังๆพอนับลงมาถึงสองทั้งสแตนลีย์คริสและตัวเชิดบุตรเองสุดตัวลงนั่งบนยอดเนินที่ขึ้นมายืนดูอยู่ มือจับสายเถาวันขนาดใหญ่ใกล้ตัวไว้มั่นยกเว้นระพินและคิดเท่านั้นที่ยังยืนมองเฉยอยู่ในอาการปกติเมื่อเสียงนับถึงคำสุดท้ายหนึ่งคีดก็กดคีย์วิทยุส่งกระแสคลื่นทันทีบัดรดนมีอาการสั่นสะเทือนยังพื้นใต้ดินก่อนลักษณะเหมือนแผ่นดินไหว จนร่างของทุกคนงนเงินไปมาแม้จะนั่งกันอยู่เป็นส่วนมากระพินกับคีที่ยืนอยู่เคียงคู่กันก็ส่วนเซแต่ไม่ถึงกับลมแล้วต่อมาก็เป็นเสียงลั่นคลืนยาวอยู่ใต้ดินตรงบริเวณเบื้องหน้าภาพที่ทุกคนมองเห็นเฉพาะตัวเนินภูเขาย่อมย่อมอันมีลักษณะเป็นหินสิงหมอบคู่กันอยู่ ปรากฏเป็นม่านฝุน่นลอยมัวตลบขึ้นแผ่นดินข้างเคียงในรัศมียี่สิบเมตรแตกปริเป็นรอยร้าวและมีฝุน่นพลุ่งเป็นริ้วอยู่ทั่วทั่วไปแล้วส่วนอันเคยเป็นซากมหาวิหารก็ค่อยๆถล่มสุดจากภาพเดิมหวบต่ำลงมาขันบันไดหินใหญ่บ้างก็แยกส่วนทลายไปทางหนึ่ง บ้างก็เคลื่อนเกยเข้าประสานชนกันหักรเนรนาดท่ามกลางเสียงคำรนคลื่นยาวราวกับเสียงฟ้าร้องมาแต่ไกลนั้นและม่านฟุนก็ฟุ้งตลบมัวมนมากขึ้นทุกทีสิ่งที่ทุกคนเห็นชัดต่อมาก็คือต้นไม้ใหญ่น้อยที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆบริเวณซากวิหารมีอาการขุดรากถอนโคน ล้มระเนระนาดไปคนละทางเสียงต้นไม้ล้มโค่นดังสนั่นกว่าเสียงระเบิดใต้ดินอันเป็นส่วนลึกเสีอีกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างของบริเวณ น, นั้นก็ถูกปกคลุมขาวมัวไปหมดจนมองไม่เห็นอะไรอีกอํานาจระเบิดวินาศกรรมของขีดที่วางไวหนักนวงรุนแรงมากทีเดียวเกินกว่าที่ระพินคาดหวังไว้สีอีก นายคิดยิ้มแป้งส่งจูบให้แกภาพที่กำลังพินาศเห็นชัดอยู่กระตานั้นแล้วหันมาถามจอมพรานว่าเป็นยังไงสนใจนายหรื อ, อยังวิเศษมากคิดแต่จะยิ่งวิเศษกว่านี้ถ้านายยัดระเบิดชนิดนี้เข้าไปฐานของอาคารพินตะก้อนรับรองว่ากลุ่มสาภาคอาหรับและโซเวียตคงใจเงินเงินนาย ชนิดโกยไม่หวาดไม่ไหวทีเดียวแล้วก็คงจะรับเลี้ยงนายเป็นอย่างดีขีดค้อนขวับหยุดยิ้มทันทีทำปากมุบมิดเป็นเวลาเกือบสิบนาทีเต็มๆภายหลังจากเกิดระเบิดใต้ดินกว่าที่ม่านฝุ่นหรือบางทีอาจจะผสมกับควันอยู่ด้วยจะค่อยๆจางหายไป ทุกคนของกลุ่มนายจ้างและพวกลูกหาบหรือแม้แต่เบลเองผู้นั่งพักอยู่พากันเดินอ้อมเนินเพื่อออกไปดูยังทัศนภาพนั้นต่างก็มองเห็นตำแหน่งอันเคยเป็นซากมหาวิหารซึ่งรพินและเบลเคยได้ใช้ขึ้นไปเป็นที่หลบภัยจากกองทัพหมาป่าเมื่อคืนที่ผ่านมาถล่มราบซุดลงมาเป็นกองดินกองหินพเนนเทินทึกอยู่เบื้องหน้า ไม่เหลือเขาโครงเดิมให้เห็นอีกเลยและแผ่นดินรอบด้านใกล้ๆบริเวณทั่วไปก็มีรอยแยกร้าวฉานไปหมดซ้ำบางส่วนของซากวิหารนั้นก็ยังมีเปลวไฟแลบลียขึ้นมาด้วยแต่อันเนื่องมาจากอยู่ในวงจำกัดเฉพาะกองดินกองหินปราศจากพันไม้ใดๆอยู่เคียงเลยจึงไม่น่าจะเกรงว่าจะเกิดไฟปา่าลุกลามต่อไป เป็นที่เชื่อแน่โดยสายตาว่ามหาสุสานแห่งนี้ได้ถูกกลบปิดสนิทลงแล้วไม่มีทางลงหรือทางขึ้นหลงเหลืออยู่อีกแน่นอนเมื่อทุกคนเหลือบมองไปทางซากของวิหารอีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้เคียงคู่กันทางด้านขวามือก็มองเห็นริ้วรอยความหักพังถล่มทลายลงมาจากสภาพเดิมของมัน เป็นผลกระทบกระเทือนจากการระเบิดใต้แผ่นดินสิงโตหินใหญ่ที่หมอบคู่กันอยู่ในพุ่มไม้ใบบงังซึ่งสลักจากภูเขาทั้งก้อนหักกระเด็นกลายเป็นเศษหินเสียรูปทรงไปจากเดิมจนแทบจะสังเกตข้าวโครงเดิมไม่ได้อีกและมีรอยแผ่นดินแยกขนาดใหญ่เกิดขึ้นราวกะลำห้วยขั่นขวางกลางระหว่างวิหารทั้งสองนี้มันจะลึกลงไปเท่าไหร่ จากรอยแผ่นดินแยกนี้ต่างก็ยังมองไม่เห็นจากจุดที่ชุมนุมยืนกันอยู่ในรัศมีปลอดภัยนี้และต่อมาสิ่งที่ทุกคนตะลึงก็คือได้ปรากฏมีสายน้ำพุพุดพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินบริเวณตำแหน่งที่ร้าวฉานนั้นพุ่งเป็นลำคันนาต้นหมากย่อมย่อมสูงขึ้นมาจากพื้นประมาณร่วมห้าหกเมตร แต่กระจายซ่านซ่ากระเซ็นของละอองน้ํานั้นแผ่กระจายไปรอบๆอาณาบริเวณพร้อมทั้งควันจางๆที่ลอยกลุ่นขึ้นมามันเป็นน้ําพุร้อนซึ่งคงจะพุดพุ่งกลายเป็นแหล่งน้ําพุอยู่เช่นนี้ไปอีกตราบนานเท่า น, านั้นแสดงว่ามีสายทานน้าร้อนอยู่ใต้แผ่นดินไหลพายผ่านบริเวณนี้อยู่ก่อนแล้วพอที่ พอมีทางที่จะผุดปะทุขึ้นมาได้เพราะแผ่นดินแยกเปิดทางให้กับมันสายน้ำที่มีแรงอัดดันสูงใต้แผ่นดินอยู่ก่อนแล้วก็พุ่งกระฉูดขึ้นมาในทันทีธรรมชาติใหม่เกิดขึ้นแล้วจากการระเบิดในครั้งนี้เบรอุธานออกมาอย่างตื่นเต้นพยักหน้าให้ทุกคนดูไปยังแหล่งน้ำพุร้อนที่พุ่งเป็นลำขึ้นมานั้น แล้วเพศสาวประจำคณะซึ่งโดยแท้จริงก็เป็นนักธรณีวิทยาอยู่ด้วยก็อธิบายพักพวกทุกคนทราบว่าน้ำพุเกิดขึ้นมาได้ใหม่เพราะอะไรสำหรับประพินนั้นไม่สนใจอะไรมากนะักเพราะเขาเคยชินกับสภาพของดินแดนประหลาดนี่อยู่ก่อนแล้วยิ่งพบว่ามันเคยเป็นแหล่งที่มีภูเขาไฟใต้ดินระเบิดสิ่งที่เกิดให้เห็นใหม่ก็ไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดใดๆสำหรับเขาเลย นึกแปลกใจอยู่แค่อย่างเดียวเฉพาะว่าเหตุใดการปฏิบัติงานของเขาในวันนี้ณนะสถานที่อันน่าเกรงอันตรายที่สุดภายในอาณาจักรปกครองด้วยมนลดำของมันไกลมันถึงได้ผ่านพ้นไปด้วยดีโดยไม่ได้รับการขัดขวางต่อต้านใดๆทั้งสิ้นราวกับว่าอำนาจกิตยามนอันเกรียงไกรของมันได้สลายหรือหยุดชะงักไปแล้วฉะนั้น ภาพนูนแกะสลักของจิตรางขนางอันปรากฏอยู่ยังผนังของมหาวิหารรวมทั้งภาพของพระราชบิดาแห่งนางคือมาหิตที่เดชะตลอดจนภาพเขียนต่างๆณนะบัดนี้ได้แยกสลายชิ้นส่วนไม่เหลือร่องรอยใดๆให้ใครมาพบเห็นอีกแล้วมันเป็นการผลักอดีตให้จมลึกลงไปสู่อดีตซ้ำเข้าไปอีก และก็เป็นเจตานาโดยตรงของระพินในกรณีที่ไม่ต้องการให้มนุษย์ใดได้มาพบเห็นอีกเลยทั้งสิ้นระพินยืนมองภาพนั้นด้วยอาการมือลอยเข้าผวังไปนานเท่าไหร่ไม่ทราบมารู้สึกตัวก็เมื่อสแตนลีเข้ามาจับแขนเขาไว้เขย่าวเบาระพินคุณเป็นไรไปเนี่ยเราเห็นคุณยืนนิ่งอยู่ในลักษณะนี้หลายนาทีแล้วนะ เหมือนท่อนหินที่ไร้วิญญาณจอมพรานสะบัดหน้าแรงๆเรียกสติสัมปชัญญะมาสู่ตัวเสีหัวเราะกลบเกลื่อนเปล่าเปล่าครับด็อกเตอร์ไม่มีอะไรครับผมปกติเรียบร้อยดีเหมือนเดิมกำลังยืนดูธรรมชาติที่เกิดใหม่อันเป็นผลมาจากอำนาจระเบิดใต้แผ่นดินของคีดนั่นเป็นน้ำพุร้อนที่พุ่งขึ้นมาสวยเหลือเกิน นั่วก็คงจะเป็นประโยชน์มากเกี่ยวกับการอาบกินแต่ก่อนที่ใครจะแตะต้องกัรน้ำที่ผุดโผล่ขึ้นมาจากแผ่นดินข้างหน้าเราเนี่ผมคิดว่าควรจะให้เบนผู้ชำนาญการเข้าไปตรวจพิสูจน์ดูใกล้ๆซ ะ, ะก่อนมันอาจจะเป็นน้ำอันตรายที่มีแร่ธาตุเป็นพิษเจอือผสมอยู่มากก็ได้ครับอืมประเดี๋ยวจะเข้าไปตรวจดูก็คงจะรู้ได้ไม่ยากอะระพินเรามีเครื่องมือเกี่ยวกับเรื่องนี้มาพร้อม บุคคลเราก็พร้อมไม่ว่าจะนักธรณีวิทยานักโบราณศาสตร์แล้วก็นักเคมีฟิสิกส์อเมริกันหัวหน้าคณะหมายถึงเบล์และคริสติน่าซึ่งขณะ น, นี้แม่มสาวทั้งสองกำลังจับกลุ่มกันเองโดยเฉพาะหาเรืออะไรกันอยู่ตามลำพังสเตอรีกล่าวถามเขาต่อไปว่าเออระพินว่าแต่ตอนนี้มันก็เย็นเต็มทีแล้วนะคุณคุณมีกาหนดแผนการยังไงต่อไปเนี่ย ระพินแงแหนดูองศาของแสงตะวันเขากะาว่ามันคงจะประมาณ16นาฬิกาเศษเข้าไปแล้วโชคดีมากที่ทางทิศ ต, ตะวันตกเป็นป่าเถาวันซึ่งแม้จะทึบก็จริงแต่เป็นป่าเต้เตี้ยและไม่มีภูเขาใหญ่มาขวางบังไว้ทางด้านตะวันตกน่ะด็อร์ครับเฉพาะวันนี้ผมว่าเราทำงานคุ้มค่าของวันเวลาแล้วละครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรวจดูน้ำพุที่โผล่ขึ้นมาใหม่นั่นแล้วก็จะเข้าไปดูเนินทางซีขวาด้วยว่ามีทางใดที่เราจะปิดช่องทางอีกบ้างไหมถ้ามีเราก็จะปิดเส้นทางขึ้นลงซะอีกโดยจะไม่เสียเวลาลงไปตรวจดูอีกแล้วเพราะไม่มีประโยชน์อะไรหลังจากนั้นเราก็จะต้องพักกันก็พักกันตรงนี้แหละครับจนกว่าจะถึงวันใหม่แปลว่าเราจะไม่ย้ายไปที่ไหนอีกแล้วใช่ไหม ถึงไปก็ไม่ได้ไกลหรอกครับแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นเลยเนื่องจากเวลาจํากัดตรงนี้ก็เป็นแหล่งพักที่น่าจะปลอดภัยที่สุดของเราแล้วลวะเฉพาะคืนนี้อีกอย่างหนึง่งเราต้องคํานึงถึงด้วยว่าเรามีคนเก็บอยู่ด้วยอีกคนนึงคือเบลเธอจะต้องได้รับการพักผ่อนให้มากที่สุดวันนี้เธอก็เหนื่อยยากกับพวกเราเกินสภาพแล้วซ้ําทุกคนถ้าไม่ปฏิเสธก็คงยอมรับล่ะ ว, ว่าล้วนแต่อ่อนเปรียบไปตามๆกัน ไม่มีความจำเป็นอะไรที่เราจะต้องหักโหมเกินกำลังหากว่าเหตุการณ์มันราบคาบลงได้แล้วชั่วขณะโดยไม่เกิดวิกฤตการณ์อะไรขึ้นที่จำเป็นจะต้องตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดกล่าวจบระพินก็หันไปร้องสั่งบุญคำให้เตรียมที่พักก่อไฟหุงหาและกำหนดปริมนณทนวางแคมป์ฟืนที่จะใช้ก่อไฟอุดมสมบูรณ์ดีอยู่แล้วในบริเวณนี้สภาพแวดล้อมก็เหมาะสมที่สุด สเตนลีหันไปตรวจสอบสภาพความรู้สึกของอิซาเบลอยอมรับว่า player, อ่อนเพลียห่วยละเหยียมากแต่ก็ยังพอมีกำลังที่จะเดินเข้าไปตรวจดูกระแสน้ำพุที่เกิดขึ้นใหม่นั่นเพื่อวิเคราะห์สภาพของน้ำได้ส่วนคริสติน่าคีดเชิด์ตบุชและสแตลลีแม้จะยอมรับว่า เ, นเหนื่อยอ่อนเพลียมากเช่นกันแต่ก็ยังพอจะฝืนไหวเพื่อยังมีสุขภาพที่ดี ถามตัวคุณเองเถอะ่าไหวไหมในการที่จะเดินเข้าไปดูที่น้ำพุร้อนกระยอดเทวลัยทางขวามือที่ยังเป็นเงาเปิิศนาอยู่นั่นคริสติน่าหรือไลล่าอามิเตตถามเข้ามาฟังไม่ออกว่าเป็นเสียงปรามาสหรือแสดงอาการห่วงใยเพราะพฤติการของเขาณวันนี้ก็มีอยู่หลายๆครั้งที่แสดงถึงสุขภาพที่อ่อนแอลงไปผมชินชแล้วกับความเหนื่อยยากลาบากทั้งหลาย แต่ถ้าผมเป็นอะไรลงไปก็มีพวกคุณที่จะต้องคอยดูแลรักษาอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคริสระพินตอบด้วยน้ำเสียงปกติราบเรียบเพื่อไม่ประสงค์จะต่อความยาวสาวความยืดแน่นอนไม่มีใครปล่อยให้คุณต้องไม่สบายหรือมีอาการสุดหนักลงหรอกคอรู้ไว้ด้วยว่าอาการจับสั่นเรือรงังหรือปวดหัวตัวร้อนธรรมดาของคุณเราไม่ห่วงหรอกพระเอาไว้ได้อยู่อย่างไม่ลาบากอะไรนะัก แต่ถ้าเกิดอาการโรคหัวใจเลือดไม่พอขึ้นไปเลี้ยงสมองเมื่อไหร่คุณอาการหนักเหมือนเช่นที่เคยหนักมาแล้วมันอาจจะเกิดซ้ำขึ้นก็ได้เมื่อคุณมีอารมณ์เครียดหนักวางใจเถอะคริสวันนี้ผมปลอดโปร่งที่สุดแล้วไม่ได้เครียดอะไรเลยนับงตัดโผล่ขึ้นมาจากมหาสุสานได้สำเร็จพร้อมกับความปลอดภัยของพวกเราทุกคนรวมทั้งการระเบิดสุสานแห่งนี้โดยกลบมันซะ ส, สนิทได้ แน่ใจหล่อนก้าวเข้ามาประชิดเขายิ้มให้นิดนึงจ้องตาฮึแน่ ใ, นใจถ้างั้นระหว่างที่พวกนี้กำลังวางแคมป์ก่อไฟหุงหาฉันว่าเรายังพอมีเวลาที่จะเดินเข้าไปตรวจดูตำแหน่งน้ำพุที่โผล่ขึ้นมาใหม่นั่นกับเทวไลทางขวามือพวกเราทั้งหมดจะนอนหลับที่นี่กันได้เป็นสุขก็ต่อเมื่อแน่ใจว่าไม่มีทางขึ้นลงของไอ้พวกผีดิ จากเทวาลด้านที่เรายังไม่ได้เข้าไปสำรวจนั่นคุณเป็นคนเข้มแข็งเอางานเอาการดีมากคริสระพินชมอย่างจริงใจมองร่างระหงปราดเปรียวซึ่งนอกจากจะมีส่วนสัตว์ที่งดงามแล้วยังแค็งคลร่งทรหอดอดทนเกินผู้หญิงทั่วๆไปถ้าเทียบกับมาเรียฮอฟมันแล้วคริสติน่าเป็นนักผจญภัยที่เหนือชั้นกว่ามากนักซึ่งคานกับสภาพที่มองเห็นครั้งแรก ตอนพบกันณบ้านพักของนายอัมพลมากลักษณะของหลอนเหมือนทหารหญิงที่ผ่านสงครามและผ่านหลักสูตรที่ฝึกกันไว้อย่างมาหาหินที่สุดมาแล้วแต่อาจมีการทอดทิ้งการฝึกมาระยะหนึ่งทว่าบัดนี้เมื่อมาผ่านผจญอยู่ในป่าร่วมกับคณะทั้งหมดทาตุแทและความชำนานดั่งเดิมก็กลับคืนมาในลักษณะที่เรียกว่าอยู่ตัวแต่คริสติน่ากลับตบมาว่า ขอบคุณที่ชมแต่เฉพาะเมื่อคืนกับวันนี้เท่านั้นอนาคตข้างหน้ายังไม่แน่ใจว่าฉันจะตกเป็นภาระหนักสำหรับคุณและพวกเราทุกคนเมื่อไหร่เอาละเวลาไม่คอยท่าเราแล้วเข้าไปดูนั่นกันเถอะร่างหลอนก็หันไปโอบประคองเพื่อนสาวซึ่งขณะนี้พ่อแป้เต็มทีบอกมาว่าแข็งใจอีกนิดนะเบลเดี๋ยวเราจะกลับมาพักกันให้สบายที่สุด ตอนนี้ยังวางใจอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละถ้าไม่มีการสำรวจเส้นทางของมหาวิหารซีขวามือนั่นให้แน่ใจซะก่อนเพราะถ้าเกิดฉุกกระหุกอะไรขึ้นคืนนี้ซ้ำสองเราจะแยกกันทั้งหมดเพราะอิดโรยกันเต็มทีแล้วระพินก้าวสวบสว บ, สวบนำหน้าย้อนกลับเข้าไปยังบริเวณของมหาวิหารเบื้องหน้าอีกครั้งโดยมีเชิดวุฒิเดินเคียงข้างไปกับเขาสแตนลีย์คีต และคริสติน่าผู้อบแขนประคองเบลเดินตามหลังมาเป็นกลุ่มเสือนพรานทั้งสีของระพินกับลูกหาบทุกคนได้รับการมอบหมายให้จัดการอยู่ทางด้านปางพักชั่วคราวแผ่นดินบริเวณที่ก้าผ่านกันไปมีรอยแยกแตกระแหงอยู่ทั่วไปด้วยอำนาจระเบิดที่อัดไว้ใต้ดินของคีดบางแห่งกว้างบางแหงแคบและบางแหงก็ลึกลงไป บางแห่งก็แค่ตื้นๆแต่ก็ไม่ถึงกับจะเป็นอุปสรรคกีดขวางสกัดกั้นไม่ให้เดินย้อนกลับเข้าไปดูได้คิดคำนวณอำนาจระเบิดของตนไวอย่างถูกต้องที่สุดเพราะเป็นคนสั่งให้รพินเคลื่อนย้ายคณะลูกหาบทั้งหมดออกไปให้พ้นรัศมีก่อนที่จะมีการระเบิดขึ้นจากการเดินย้อนกลับมาดูหากทั้งคณะมาหยุดอยู่เพียงตำแหน่งที่เคยพักกันอยู่ครั้งแรก จะต้องได้รับอันตรายจากแรงระเบิดอย่างแน่นอนสังเกตได้จากความเร้าวฉานของแผ่นดินบริเวณ น, นั้นซากมหาวิหารที่เป็นเป้าหมายทำลายไม่มีอะไรจะต้องสงสัยอีกต่อไปเมื่อได้เข้ามาสำรวจใกล้เคียงอีกครั้งเพราะมันอยู่ในสภาพที่ย่อยยับพังถล่มทลายอย่างแท้จริงกองหินดินพังกรบช่องทางไว้หมดสิ้นอย่างหนานแน่ บันไดหินทางขึ้นขนาดใหญ่ทุกชั้นแลกละเอียดเพราะแรงอัดดันขึ้นมาจากด้านใต้เพื่อเม่เสียเวลารับพินบอกให้ทุกคนยืนรอเขาอยู่ก่อนตนเองกระโดดไต่ขึ้นไปตรวจ ด, ดูรอบๆในเนื้อที่พังทลายประมาณสองตารางวานนั้นเพื่อจะดูว่าจะมีทางใดที่เป็นรูเป็นช่อง <c oughs> เหลืออยู่อีกบ้างหรือไม่แล้วก็พบว่ามันถูกกลบปิดมิดชิดเรียบสนิทจริงๆ จึงโบกมือเป็นสัญญาณให้ทั้งคณะบ่ายหน้าไปยังตำแหน่งน้ำผุที่กำลังพุ่งซ่านขึ้นมาตนเองก็ปีนป่ายไปตามซาดสลักหักทางนั้นขนานกับพวกที่เดินอยู่ข้างล่างจุดแกที่ทั้งกลุ่มรงเข้าไปก็คือตำแหน่งของน้ำผุที่พุ่งเป็นลำขึ้นมาศาสตร์ละองเป็นฝอยระคนไปกระลุ่มควันกระเซ็นศาตร์มาถึงคณะที่เคลื่อนใกล้เข้าไป ด้วยความยินดีระคนพิศวงไออุ่นและชื้นของมันปลิวมากระทบผิวกายก่อให้เกิดความสดชื่นขึ้นอย่างประหลาดเหมือนเข้าไปอบตัวอยู่ในห้องอบไอน้ําตําแหน่งไหนที่เป็นแอ่งหรือหลุมบ่อก็กลายเป็นที่ขังของน้ําที่เกิดขึ้นมาใหม่และเมื่อมันเริ่มท่วมเอ่อล้นทวีปริมาณมากขึ้นก็เริ่มไหลลงสู่ที่ต่ําโดยบายทิศทาง แยกเป็นเส้นเล็กเส้นน้อยไปสู่แนวลำห้วยหลังเนินอันเคยเป็นลำห้วยแห้งที่รพินกอิสเบลใช้อาศัยเป็นเส้นทางตะเลิดหนีฝูงหมาป่านรกมาเมื่อคืนนี้รพินหลบม่านละอองที่ไปว่อนไปทางด้านหนึ่งและพยายามสำรวจดูลักษณะของน้ำที่ลนลงมาขังอยู่ยังบริเวณแอ่งหินรอบๆด้าน มันอาจดันชั้นดินที่เพิ่งจะปริแยกใหม่ๆขึ้นมาสภาพของน้ำจึงดูขุ่นเป็นสีแดงเหมือนน้ำผสมลูกรังเชิดบุญนั้นตรงเข้าไปกับคณะฝ่ายนายจ้างซึ่งหมอเบลกับคริสตินา่ากำลังเข้าไปตรวจดูอย่างใกล้ชิดกระแสน้ำที่พุ่งขึ้นมานั้นไม่ได้มีอยู่ตำแหน่งเดียวที่มองเห็นลำขนาดใหญ่อยู่หากแต่ยังมีบริเวณผุดขึ้นมาเป็นจุดเล็กจุดน้อย อยู่เกือบจะทั่วทั่วบริเวณบางแห่งสูงกว่าแผ่นดินเพียงแค่คืดเดียวก็มีเขาเห็นเบนพูดปรึกษาหาหรืออะไรกับพวกของหลอนคริสติน่าใช้ฝากระติกรองรับน้ำที่พุ่งขึ้นมาจากระดับเตี้ยเตี้ยแล้วยกขึ้นจิบๆิอีกหลายคนของคณะนั้นใช้มือวักน้ำขึ้นมาในฝ่ามือคื่ใหญ่ต่อมากลุ่มนั้นก็เดินลีกลบละอองไอน้าตรงเข้ามาที่เขา โดยเฉพาะคริสติน่าใบหน้าเปียกชุ่มไปด้วยกระเซ็นน้ำที่เพิ่งจะพุ่งพ้นแผ่นดินขึ้นมาและกำลังใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กๆซับเช็ดอย่างเช่นชื่นกระพินคำนี้พวกเรามีน้ำแร่ชั้นดีอาบกันแล้วละ่ะมันเป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่วิเศษสุดและมันก็จะเป็นแหล่งน้ำพุที่เกิดขึ้นเช่นนี้ไปตราบนานเท่านานด้วย แม่ผมทองพูดอย่างร่าเริงสดใสแน่ใจนะคริสว่าไม่มีแร่ธาตุที่เป็นอันตรายก็มีมีกรรมฐานกาแร่เหล็กเจือปนอยู่ด้วยประมาณไม่เกิน1ิบ้าเปอร์เซ็นน่ะนะมันช่วยค่าชือโรคเป็นอย่างดีด้วยอุณหภูมิที่มันพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินใหม่ๆก็ประมาณแ0ดสิบองศาเซนเซียสแต่ข้างใต้ลงไปมันคงจะร้อนกว่านี้เ่ะพะมันกระทบกับอากาศแล้วไหลตกลงมา ก็มีสภาพเป็นเพียงแค่น้ำอุ่นๆเท่านั้นตอนนี้ยังเพิ่งโผล่ขึ้นมาใหม่ๆก็เลยขุนอ่ะอีกสักสองสามชั่วโมงมันก็จะใสขึ้นขอบคุณคุณก็คิดมากนะที่การระเบิดเมื่อครู่นี้ทำให้เราได้แหล่งน้ำแร่และไอ้น้ำที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลนบอกมาด้วยดวงตาแจ่มเป็นประกายพรานใหญ่แลไปทางเบเหมือนจะถามย้าแม่ผมแดงก็พยักหน้ารับรอง ไม่มีอันตรายอะไรหรอกระพินอาบกินได้ดีกว่าน้ำตามแหล่งทานทั้งหลายที่เราเคยพบกันมาทุกแห่งซะอีกแต่ระยะที่มันยังพุ่งขึ้นมาใหม่ๆนี่มันก็หอบเอาหินปูนขึ้นมามากทีเดียวยังไม่ควรจะใช้ดื่มกินในตอนนี้แต่ถ้าอาบนะได้สบายเลยจอมพรานสูดลมหายใจลึกยิ้มออกมาได้นิดนึงโชคดีเขาพึงพัคุณว่า ม, มันเกิดขึ้นได้ยังไงน ฉันว่าคุณก็น่าจะสันนิษฐานได้ดีอยู่แล้วนี่ละพินผมไม่มีความชำนาญ น, นักหรอกเรื่องนี้มีลำธารขนาดใหญ่ไหลอยู่ใต้ดินในแถบนี้นะคุณเป็นอาณาบริเวณกว้างไกลสักขนาดไหนก็ยังไม่อาจรู้ได้แล้วก็มีภูเขาไฟที่กำลังระอุรุนอยู่ด้วยโดยอยู่ในชั้นดินที่ต่าลงไปอีกกระแสธานที่พล่ขึ้นมานี่ ไหลผ่านมาในบริเวณเหนือแถบอันเป็นความร้อนสูงของภูเขาไฟแล้วก็คงจะผ่านมาในบริเวณที่กว้างใหญ่มากจนทําให้น้ําที่ไหลผ่านนั้นกลายเป็นน้ําร้อนไปเพราะแผ่นดินบางส่วนที่มันเกิดการปริแยก ต, ตัวออกสายน้ําที่มีกระแสความดันสูงอยู่ก่อนแล้วก็หาทางทะลักโผล่ขึ้นมาส่วนหนึ่งตรงบริเวณนี้เบรอธิบายมาแบบง่ายๆซึ่งแน่ายละ คนอย่างดพินไพรวันผู้เคยผ่านดินแดนนี้มาแล้วย่อมรู้ดีในการผ่านมาในครั้งก่อนของเขามันช่วยให้รู้เห็นพอจะเข้าใจอะไรต่ออะไรดีอยู่แล้วเขาก็เพียงแต่จะย่างหางเสียงของอเมริกันกลุ่มนี้เท่านั้นฝ่ายนายจ้างยังสนใจชื่นชมอยู่กระแหล่งน้ำพุเกิดใหม่ที่ผุดโผล่ขึ้นมาให้เห็นกันชนิดหลัดๆต่อหน้าต่อตาเสีลที่มันพุ่งแรงขึ้นมา และเสียงที่ไห IN, ลหลนลงมากระทบพื้นดังสู้ซาราวกันน้ำตกพวกพลานพื้นเมืองของเขาขณะที่กําลังทําหน้าที่วางแคมป์และหุงหาอยู่ในขณะ น, นี้ก็พากันจ้องมาอย่างดีอกดีใจเช่นกันแต่ทุกคนยังติดภาระหน้าที่อยู่โดยยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาร่วมดูอยู่ใกล้ๆด้วยแคมป์พักของเราคืนนี้ตั้งอยู่ที่โน่นนะครับ ไม่ห่างไกลออกไปนะักกระพินบุ้ยปากกล่าวกับนายจ้างอเมริกันทุกคนตอนนี้ผมอยากจะให้ตรวจสภาพของน้ำพุที่มันพุ่งขึ้นมาจากรอยแยกของแผ่นดินตรงนี้ให้รอบคอบที่สุดว่ามันจะมีการผุดทลักขึ้นมากินานาบริเวณกว้างมากกว่านี้ไหมถ้ามันเกิดกลายเป็นแม่น้ำทั้งสายโผล่ขึ้นมากลางดึกมีปริมาณมากๆมันจะไหลท่วมเชียพลันไปถึงที่พักของเราก็จะเดือดร้อนกันกลางดึก แล้วอีกประการหนึง่งผมก็คิดก็กำลังจะหาทางระเบิดที่เนินใกล้ๆลูกขวามือนี่ในอีกไม่กี่อิดใจข้างหน้ามันอาจจะทำให้เกิดเป็นช่องทางน้ำพุขึ้นมาอีกก็ได้ด้วยแรงระเบิดซ้ำดีรอบครอบเสมอแต่บางทีก็เกินความจำเป็นนะคุณคริสติน่าพูดมาแค่นั้นแล้วไม่แสดงความเห็นอะไรอีกส่วนเบลยิ้มโรยๆมาให้รับ คุณไม่ต้องกังวลในเรื่องนั้นหรอกกระพินต่อให้เกิดการทะลักขึ้นมามากกว่านี้ธรรมชาติของน้ำมันก็จะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าเสมอแหละคุณก็เห็นอยู่แล้วนี่ว่ามีลำห้วยแห้งลึกที่เราอาศัยหนีหมาป่ากันมาเมื่อคืนนี้รองรับอยู่นู่นแน้ำพวกนี้ขณะนี้ก็กำลังไหลไปสู่ลำห้วยนะระดับที่เราพักอยู่กันในป่าเถาวันมันสูงกว่าระดับลำห้วยมาก หากมันเกิดประทุมากมายขึ้นมากลางดึกอีกมันก็จะไหลไปทางด้านลำบวยจะไม่ท่วมบาไปถึงที่พักเราอย่างกระทัน ห, หันหรอกคุณสิ่งที่จะเตือนก็คือถ้าคุณกะคิดจะระเบิดที่เนินขวามือนี่ก็ขอให้วางระเบิดเพียงแค่จำเป็นที่จะปิดทางเท่านั้นอย่าให้มันรุนแรงนกะเชื่อว่าคงจะไม่เกิดเรื่องร้ายอย่างที่คุณระแวงหรอกก็ไม่เสียแรงหรอกนะที่มีนักธรณีวิทยา และนักเคมีฟิสิกส์มากับเราด้วยในครั้งนี้รัพินพูดโดยเร็วพลางหันมาทางคิดอ่ะในเพื่อนอยากตอนนี้เราก็อย่าเสียเวลาเลยเดี๋ยวเราสามคนฉันเจิร์ุสแล้วกันายเอาเป็นว่าเราขึ้นไปสำรวจดูลู่ทางหาจุดวางระเบิดกันที่เนินนั่นอีกสักครั้งส่วนเบนเขาอิฐโรยเต็มทีแล้วจะให้คริสกาบดรสแตนลีย์ นั่งรอเป็นเพื่อนอยู่ตรงน้ำพุนี่ก่อนไม่จำเป็นจะต้องไปด้วยกันทั้งหมดหรอกเออเอาไงเอากันสั่งมาเลยจะได้หมดภารกิจวันนี้พักสะทีทั้งหิวทั้งเพลียอ่ะพันเอกแห่งย s เอสอามีพยักหน้าบอกมาง่ายๆเองคนเดียวเมื่อไหร่วะข้าก็แทบก้าวขาไม่ออกแล้วเชิดวุษสอดมาระพินหันไปมองหน้าอย่างขินใจ คุณุดครับเผื่อไม่ไหวก็จะรอยอยู่กับพวกนี้ก็ได้นะครับนายทหารหนุ่มหัวเราะเดินเข้ามาใกล้ระพินมือใช้ผ้าขาวมาที่ชุบ น, น้าร้อนเช็ดตามใบหน้าและลาคอไปพลางพี่ผมพูดเล่นอย่างไวใจมุดลงมาในป่าชาใต้ดินที่ไหนก็ได้พี่ผมไม่ถึงจะต้องมุดหรอกครับคุณบุดเราก็แค่เพียงสังเกต ตรวจราดูช่องทางเท่านั้นแหละว่ามันจะมีทางขึ้นลงหรือทางเข้าออกตรงไหนมั่งซึ่งก็จะระเบิดหินเนีมันพังลงมากรบปากทางซะเท่านั้นคงไม่ต้องใช้แรงระเบิดอะไรมากนักหรอกในแต่ละจุดที่จะพบหรืออาจจะไม่พบเลยก็ได้เพราะเนินลูกนี้ทางเข้าออกมันอาจจะปันไปหมดแล้วก็ได้ครับกล่าวจบเขาก็หันไปร้องสั่งความกับอเมริกันบูอาวูโสหรืคริสติน่าให้อยู่เป็นเพื่อนเบ เพราะไม่ต้องการให้แม่ผมแดงซึ่งอ่อนแรงเต็มทีแล้วต้องทรมานต่อไปและความจริงมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับการสำรวจเพียงเปลือกนอกของเนินลูกขวามือนี้ทั้งสามยอมปฏิบัติตามข้อแนะนำของระพินโดยดีแม้แต่คริสติน่าผู้ซึ่งตามปกติจะไม่ยอมให้เขามีปฏิบัติการอะไรที่ไหนโดยหล่อนไม่ได้ร่วมรู้เห็นอยู่ด้ว ย, ยนี่ ตะวันใกล้จะหมดแสงแล้วอย่าช้านักนาะฉันเบล์แล้วก็อาจารย์จะรอตรงนี้แหละแล้วก็หวังว่าก่อนจะระเบิดเราทั้งหมดควรจะกลับไปที่แคมป์ซะก่อนระพินวันนี้คุณทำงานซัจนพวกเราหายใจตามแทบไม่ทันพวกเราเคยคิดว่าคุ้นเคยกับคุณบอสมควรละไห้ตายอะยิ่งนับวันไปเราก็ยิ่งเห็นว่าคุณน่ะทำงานชนิดมหาโหดโคตรหินเลย ทั้งๆ ท, ที่ตัวเองก็ไม่ใช่ว่าจะแข็งแรงอะไรนะักโดยเฉพาะวันนี้คริสครับทุกอย่างมันต้องแข่งกับเวลาครับซึ่งมันหมายถึงความปลอดภัยของพวกเราทุกคนด้วยนายจ้างทุกคนก็มักจะด่าผมเหมือนอย่างที่คุณด่านี่แหละถ้าอยากจะสบายก็ไม่ควรมาเดินป่ากับผมครับกล่าวแค่นั้นเขาก็ไม่หันมาสนใจอะไรกับบุคคลทั้งสามอีกดีมือเป็นสัญญาณ แล้วเขาคิดเชิดบุตรก็ไต่ตามกองหินที่พังระเนระนาฏเหล่านั้นไต่ทางมุ่งตรงไปยังขวามืออันเป็นเป้าหมายทันทีห่างออกไปอย่างรวดเร็ว